ทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะ110สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายอยู่ในที่กลางแจ้งรีบเก็บเสนาสนะก่อนเวลาอันควรพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นรีบเก็บเสนาสนะก่อนเวลาอันสมควรครั้นแล้วทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไว้ในมณฑลบ โคนไม้หรือในที่ซึ่งกาหรือเหี่ยวจะไม่ถ่ายมูลรถได้ตลอด8เดือนที่ไม่ใช่ฤดูฝน